นายสมชายพาท่านพระครูกลับถึงวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลา17นาฬิกาเศษที่กุตติของท่านพระโบเหียวกำลังสอนวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้กับขหาบดีและครอบครัวตามที่ท่านได้มอบหมายหน้าที่ให้เมื่อท่านเดินเข้ามาภิกษุหนึ่งรูปกับคารวะห้าคนก็ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้ง เจริญพรโยมมาถึงนานแล้วหรือท่านถามขหาหบดีถึงสักบ่ายสองโมงเห็นจะได้ก็ไปเสียเวลากับการหาซื้อชุดขาวนะครับหลวงพ่อขหาหบดีตอบเขาอยู่ในชุดเสื้อคอกลมสีขาวกางเกงขาวกลว้ยสีเดียวกันพัญญาและลูกชายอีกสามคนก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวดูสะอาดหมดจด หลวงพ่อมาเหนื่อยเหนื่อยนิมนต์พักส่งน้ำก่อนไม่ดีกว่าหรือคะนางกิมเองพูดขึ้นเมื่อเห็นท่านเดินมานั่งอย่างอาสนะวันนี้หน้าตาเนื้อตัวหล่อนปราศจากทั้งเครื่องสำอางและเครื่องประดับจึงดูผิดไปจากวันวานราวกับเป็นคนละคนนิมนต์หลวงพ่อส่งน้ำก่อนดีกว่าครับ สามีของนางกิมเองเห็นพ้องกับพันยาไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญอะไรอาตมาสงน้ำตอนตีสองเกือบทุกวันแล้วหลวงตามไม่หนาวแย่หรือครับหลวงตามีที่ทำน้ำอุ่นหรือเปล่าลูกชายคนเล็กของขาหาบดีถามขึ้นไม่มีหรอกนู หนาวก็ต้องทนเอาท่านตอบแล้วลวงตาหิวไหมครับหลวงตาไม่ทันข้าวเย็นไม่หิวแย่หรือเด็กหนุ่มถามอีกเพราะตัวเขาเริ่มจะหิวเนื่องจากใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วไม่หิวหรอกหนู้ลวงตาชิ่นแล้วถามอย่างนี้แปลว่านูหิวแล้วใช่ไหม ท่านถามยังรู้ใจใช่ครับเด็กหนุ่มตอบตามตรงหิวก็ต้องอดทนนะหนูนะอดทนมากๆแล้วมันก็จะชินไปเองพี่ชายอีกสองคนที่นั่งฟังอยู่ออกผิดหวังคิดว่าท่านจะอนุญาตให้รับประทานอาหารมื้อเย็นได้หลวงตาครับขอทานวันนี้วันเดียวไม่ได้หรือครับ และพรุ่งนี้พวกผมค่อยฝึกอดกันคนตัวโตวที่สุดต่อรองก็ฝึกซิวันนี้ไม่ดีกว่าหรือถ้าเรามัวผัดเป็นพรุ่งนี้มันก็พรุ่งนี้อยู่เรื่อยการทำความดีไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนะหนูนะลุงตาครับทำไมการทำความดีต้องอดข้าวด้วยล่ะครับอีกคนถามขึ้น เดี๋ยวก่อนหลวงตายังไม่รู้เลยว่าพวกหนูชื่ออะไรกันบ้างไหนบอกมาสิจะได้เรียกถูกเอาชื่อเล่นก็ได้คนนี้ชื่อต้องค่ะเป็นคนที่สามคนที่สองชื่อต่อคนเล็กชื่อติงส่วนคนโตที่อยู่อเมริกาชื่อต้นค่ะนางกิมเองตอบแทนลูกๆ เมื่อพูดถึงคนโตนางก็อดร้องไห้ไม่ได้เด็กหนุ่มสามคนคิดว่ามารดาร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายคนโตซึ่งเป็นพี่ชายของพวกเขาทำใจดีๆนาะกิมเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดข้าฮะบดีพูดปลอบใจพันยาตัวเขาเองพอจะทำใจได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายติดยาเสรพติด เขาไม่ต้องการให้ลูกชายอีกสามคนดำเนินรอยตามพี่ชายดึงสู้อุตสาห์พามาเข้ากรรมาฐานทั้งที่โรงเรียนยังไม่ทันปิดภาคลูกๆ ก, ก็เชื่อฟังเป็นอันดีหลวงตาไม่ตอบผมเลยครับว่าทำไมการทำความดีต้องอดข้าวด้วยหนุ่มน้อยที่ชื่อต้อมถามอีกเดียวหนูตอบหลวงตามาก่อนสิว่า คำสอนหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีกี่ประการอะไรบ้างไม่ทราบครับพวกผมเรียนโรงเรียนคริสต์มาตลอดจึงไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยแล้วสวดมนต์เป็นไหมสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ่ะเคยสวดหรือเปล่าท่านถามคนชื่อต่อไม่เคยสวดครับเพราะไม่เคยสวด ก็เลยสวดไม่เป็นครับครูสอนแต่สวดสรรเสริญพระเจ้าแล้วพ่อแม่เขาไม่สอนให้สวดมนต์บ้างหรือเด็กหนุ่มมองบิดามารดาอย่างเกรงใจก่อนตอบว่าไม่เคยครับเอาละไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นโยมช่วยตอบแทนลูกหน่อยก็แล้วกันไหนบอกอาตมาหน่อยสิว่า คำสอนหลักของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านถามคาหาบดีไม่ทราบครับสามีนางกิมเองตอบอย่างไม่ลังเลท่านพระครูจึงถามต่ออีกว่าโยมนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธครับแล้วรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธบ้างลองบอกมาสักสองสามข้อ ก็ได้ไม่รู้เลยครับข้าหาวดีสารภาพนี่แหละจุดอ่อนของชาวพุทธเราอยู่ตรงนี้แหละคือสักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาที่ตนนับถือเลยแม้แต่สวดมนต์ก็ยังสวดไม่เป็นอาตมาไม่โทษลูกลูกของโยม ที่เขาสวดมนต์ไม่เป็นหรอกนะก็ยโยมไม่เคยสอนเขาเลยนิท่านฆาดโทษคนที่เป็นพ่อแม่แต่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของผมเหมือนกันครับเพราะเตียกับแม่ผมก็ไม่เคยสอนผมเหมือนกันขหาบดีโยนความผิดไปให้บิดามารดาซึ่งในเวลานี้กําลังนอนอยู่ในห่วงซุยแหม ถ้าเตียกับแม่ของโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงพูดแบบเดียวกับโยมเหมือนกันจริงไหมท่านย้อนอย่างสุภาพจริงครับข้าบดียอมรับความจริงงั้นก็เอาละพูดไปก็ไม่มีทางยุติได้ฉะนั้นเราอย่ามัวแต่ไปโยนความผิดให้คนอื่น ต้องยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าความผิดมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละฉะนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นโยมเห็นด้วยไหมท่านถามนางกิมเองเห็นด้วยค่ะแล้วโยมละ่ะเห็นด้วยกับที่อาตมาพูดหรือเปล่าเห็นด้วยครับ ข้าบดีตอบต้องเห็นด้วยสินึกว่าถ้าไม่เห็นด้วยจะได้ให้ไปเอาอ า, าอากงจากห่วงซุยมาฝึกกันใหม่เอามาฝึกสวดมนต์นะหนูนะท่านหันไปพยักเพย์ดกับลูกๆของนางกิมเองเด็กหนุ่มทั้งสามพากันหัวเราะคิกคักเอาละ่ะทีนี้ก็มาพูดเรื่อง สวดมนต์กันต่อโยมโปรดจำไว้ว่าพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกถ้าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ลูกเขาก็สวดไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยจะสอนให้นักเรียนสวดมนต์ไปสอนอะไรก็ไม่รู้นี่อาตา ม, มาหมายถึง โรงเรียนของชาวพุทธนะอย่างหนูๆ น, นี่สวดมนต์ไม่เป็นแต่กลับสวดอ้อนวอนพระเจ้าได้เพราะครูเขาสอนอันนี้จะโทษเด็กก็ไม่ได้ต้องโทษผู้ใหญ่ที่ไม่ปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้กับเด็กผู้ใหญ่สมัยนี้มักเป็นอย่างนี้กันมากเอาล่ะ ก็คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วต่อไปนี้เราจะแก้ไขกันเสียใหม่นะเราจะต้องสวดมนต์ให้เป็นมาอยู่วัดนี้ต้องสวดมนต์ทุกๆวันวันละสองครั้งเรียกว่าทำวัดเช้าและทำวัดเย็นทีนี้เราก็จะมาพูดกันถึงคำสอนหลักของพระพุทธศาสนา ท่านหันไปพูดกับพระโบเฮียวว่าอาจารย์โบเฮียวนั่งฟังมานานแล้วไหนลองบอกลูกศิษย์หน่อยสิว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างพระหนุ่มแสนจะดีใจที่ได้มีโอกาสพูดกับเขาบ้างฟังอย่างเดียวมันแสนจะอึดอัดท่านวางมาตให้ลูกศิษย์เลื่อมใส ด้วยการกล่าวนำเป็นภาษาบาลีแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลัสูปะสัมปทาการทำความดีให้เพียบพร้อมสุจิตตริโยทปนังการทำจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เอตังพุทธานะสาสนัง นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถูกแล้วพูดสั้นๆก็คือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสทีนี้หลวงตาก็จะตอบปัญหาที่หนูถามว่าทำไมการทำความดีต้องอดข้าวมื้อเย็นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมท่านถามหนุ่มต้อม ใช่ครับถ้าอย่างนั้นหนูบอกหลวงตามาก่อนสิว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่อาจารย์โบเฮียวพูดไปเมื่อกี้นี้นะ่ะได้ยินท่านอ้างถึงพระโบเฮียวก็ใจพองครับอกผมจำไม่ได้เลยครับหลวงตาอาจารย์โบเฮียวพูดยาวยืดเลยแล้วยังมีภาษาบาลีอีกด้วย ผมฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่หลวงตาพูดนั้นผมเข้าใจและจำได้ด้วยครับคำตอบของลูกศิษย์ทำให้หัวใจที่กำลังพองหนอของพระโบเฮียวกลายกลับเป็นยุบหนอเสทันใดท่านพระครูรู้ถึงหัวจิตหัวใจของพระหนุ่มจึงพูดเป็นเชิงเตือนว่ายังใช้ไม่ได้นะใจที่ฟูฟูแฟบแฟบ ไปตามอิทธาร่มอั น, นิธาร่มนั้นยังใช้ไม่ได้ต้องพยายามฝึกจิตไม่ให้วันไวในโลกกรรมต้องฝึกอีกมากแล้วท่านจึงพูดกับนายต้อมว่าอาจารย์ของหนูสอบตกเสร็จแล้วถูกหนูประเมินผลเข้าหน่อยใจแฟบไปเลยประเมินผลอย่างไรครับ เด็กหนุ่มงงก็ที่หนูเข้าใจที่หลวงตาพูดแต่ไม่เข้าใจที่อาจารย์บัวเหี่ยวพูดทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันก็แปลว่าอาจารย์บัวเหี่ยวไม่มีประสิทธิภาพในการสอนเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะท่านอถาธิบายคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งครับหลวงตา ผมไม่มีประสิทธิภาพในการรับมากกว่าอาจารย์สอนดีแต่ลูกศิษย์ไม่เก่งพอที่จะรับได้เขาแก้ตัวแทนอาจารย์พระโบเฮียวรู้สึกว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นคนฉลาดอย่างน้อยก็ฉลาดกว่าท่านแล้วคนฉลาดก็พูดอีกว่าแต่ตอนที่อาจารย์โบเฮียวท่านสอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิท่านสอนดีมากนะครับพวกเราเข้าใจกันทุกคน ฟังแล้วพระโบเฮียวก็อยากจัใจฟูหากก็เกรงพระอุปชาจะว่าขานจึงเพียงแต่กำหนดเฉยหนอทั้งที่รู้สึกว่ามันทำยากหนักหนาเอาละถ้าอย่างนั้นหนูลองบอกหลวงตามาสิว่าที่หนูเข้าใจและจำได้นั้นมีอะไรบ้างละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสครับ เด็กหนุ่มตอบถูกแล้วดีมากจำเก่งมากเอาละทีนี้หลวงตาก็จะได้อธิบายต่อจะเห็นว่าหลักสามข้อที่ว่ามานั้นมันเกี่ยวโยงกันคือเราจะทำดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนการละชั่วนั้นจัดอยู่ในขั้นศีล ส่วนการทำดีก็คือสมาธิเมื่อทำสมาธิจิตก็ผ่องใสจึงเกิดปัญญาขึ้นเราจึงพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งสามอย่างนี้เกี่ยวข้องกันศีลต้องมาเป็นอันดับแรก เมื่อพูดถึงศีลก็มีตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดอันนี้พูดเฉพาะคารหัดไม่ได้รวมไปถึงศีลของสา ม, มนเณรหรือของภิกษุและภิกษุณีศีลห้าที่ผมเคยเรียนในหนังสือใช่ไหมครับหลวงตาหนุ่มติ๋งถามเพราะจำได้ครัครคราๆคลาคลาว่าเคยเรียน ในหนังสือเขาว่าอย่างไรล่ะแทนคำตอบท่านกลับย้อนถามเขาก็ว่าศีลมีห้าข้อข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ครับแล้วข้อสองล่ะลืมแล้วครับผมเคยท่องได้หมดทุกข้อตอนใกล้สอบแต่ตอนนี้จำได้แค่ข้อเดียวเองครับหนุ่มน้อยเรียนตามตรงอ๋ออย่างนี้นี่เอง หลวงตานึกว่าศีลเขามีไว้ให้คนประพฤติปฏิบัติเสียอีกที่แท้ก็มีไว้ให้ท่องตอนใกลสอบอย่างงั้นใช่ไหมแม้จะอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นหากหนุ่มติงก็พอจะรู้ว่าท่านพูดประชดจึงยกเหตุผลมากล่าวแก้ว่าเพื่อนๆผมเขาก็ทำอย่างนี้ครับ คือท่องได้ตอนก่อนสอบพอสอบเสร็จก็ลืมหมดบางคนลืมตั้งแต่ยังไม่ทันได้สอบใลด้วยซ้าเลยพากันตกเป็นแถวๆพวกเราเกลียดวิชาศิลธรรมมากที่สุดเลยครับเด็กหนุ่มพูดจากความรู้สึกเป็นความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่เห็นาศาสนาเป็นเรื่องโบราณครลําครึงี่เ ง, า ง, ง, ง่างมงายอออย่างนี้กระมัง ที่กระทรวงศึกษาธิการเขาถึงจะให้เลิกสอนวิชาศิลธรรมเขาคงเห็นนักเรียนไม่ชอบนั่นเองท่านประชดอีกคราวนี้ประชดกระทรวงศึกษาธิการแม้จะรู้ว่าท่านประชดหากหนุ่มติงก็แซงเออ อ, อหอหมกด้วยว่าดีครับเลิกเลิกไปเสีย ก, ก็ดีไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยก็ถ้าไม่มีประโยชน์ แล้วหนูมาวัดทำไมล่ะมาวัดนี้ทำไมป้าบังคับให้มาครับอ๋อมาเพราะถูกบังคับหรอกหรือติงจะพูดจะจาอะไรระวังปากเอาไว้มั่งปากไม่ดีจะพาให้จมูกพลอยเจ็บไปด้วยนะข้าหาบดีตื่นลูกชายคนเล็กก็จริงๆนี่ครับป้าพวกผมไม่อยากมาสักคน นี่ก็ต้องอดเที่ยวปีใหม่ด้วยไม่รู้จะมาทำไมข้าบดีถลึงตาใส่ลูกชายเด็กหนุ่มจึงสงบปากสงบคำลงท่านพระครูรู้สึกสงสารคนเป็นพ่อจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะหนูอย่าเพิ่งไปว่าป๋าเขาเอาไว้เจ็ดวันผ่านพ้นไปแล้วจึงค่อยต่อว่าไหนไหน ก็ถูกบังคับมาแล้วก็ให้หนูตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ครบเจ็วันลองดูนะหนูนะครับเข้ารับคำง่ายๆเพราะยังติดใจเรื่องวิชาศิลธรรมอยู่หลวงตาครับผมว่าโรงเรียนน่าจะเลิกสอนวิชาศิลธรรมกันได้แล้วผมว่ามันไม่มีประโยชน์เลยจนนิดเดียวอย่างนั้นหรือ หนูคิดอย่างนั้นเหรอแล้ววิชาอะไรละ่ะที่หนูว่ามีประโยชน์น่ะวิทยาศาสตร์ครับหลวงตาเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอันเป็นผลมาจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์แต่ในศิลธรรมสอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์ส่วนวิทยาศาสตร์สอนให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์หนูคอยดูไปก็แล้วกัน ในอนาคตคนเราจะมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเพราะเราสูญเสียความเป็นมนุษย์ลงไปทุกทีพระโบเฮียวฟังแล้วรู้สึกปวดหัวทนต่อไปไม่ไหวจึงขัดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมปวดศีรษะจังครับหลวงพ่อพูดเรื่องหนักๆทั้งนั้นปวดหัวก็กลับไปนอนซะ พูดด้วยเสียงและสีหน้าปกติไม่นอนครับลวงเพอะผมไม่ง่วงคืนนอนประเดียวก็เข่าตำราตำราอะไรตำราสมพันยุคใหม่สิครับเช้าเอน็นเพนนอนเย็นพักผ่อนคำจำวัดเด็กซัดมามา่าหนุ่มน้อยผู้มีนามว่าติงต่อให้ผูทนะ้ที่นั่งณที่นั้นต่างพากันหัวเราะ ทำให้บรรยากาศที่กำลังเคร่งเครียดนั้นค่อยคลี่คลายลงเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นใครก็ได้ช่วยบอกอัตมามาสิว่าศีลห้ามีอะไรบ้างพ่อแม่ลูกมองตากันปริบ ป, ป, ปเพราะไม่มีใครจำได้ครบห้าข้อเลยสักคนท่านพระครูจึงหันไปเล่นงานพระโบเฮียวว่าอาจารย์บัวเฮียว สอนยังไงลูกศิษย์ถึงยังไม่รู้จักศีลห้าตอนขึ้นกรรมฐานไม่ได้ให้ศีลหรอกหรือให้แล้วครับพระบูฮหียวตอบท่านเพิ่งให้ศีลแปดไปหยกๆยกอาจารย์บูฮหียวท่านให้เป็นภาษาบาลีนะครับหลวงตาพวกผมก็เลยจำไม่ได้นุ่มต่อแก้ตัวแทนคนในครอบครัว งั้นก็บอกมาเป็นภาษาไทยก็ได้เอาศีลห้าก่อนลืมหมดแล้วครับหลวงตาก็น้องติงเพิ่งเรียนยังลืมผมเรียนมาตั้งนานแล้วขืนจำได้ก็มหัศจรรย์สิครับหนุ่มต่อตอบเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลวงตาจะไม่พูดนอกเรื่องให้มันย่นเยอะยืดยาว จะอธิบายให้ฟังว่าศีลห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างแล้วท่านจึงอธิบายศีลห้าแต่ละข้อแต่ละข้อจนคนทั้งห้าเข้าใจเป็นอันดีจากนั้นจึงอธิบายศีลแปดหรืออุโบสถศีลพร้อมทั้งสรุปให้เสร็จสับดังนี้จะเห็นได้ว่าศีลสามข้อหลังที่เพิ่มขึ้นมานั้น มันไปสนับสนุนข้อที่สการที่ต้องเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการก็เพื่อจะได้ไม่ให้จิตไปหมกมุ่นกับกามคุณห้าอย่าลืมว่าอาหารเช้านั้นบำรุงร่างกายอาหารกลางวันบำรุงการงานส่วนอาหารเย็นมันไปบำรุงกามาคุณห้า เมื่อเราจะมาฝึกสมาธิเราจึงต้องงดอาหารเย็นเพราะมันจะไปทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพอจะเข้าใจรู้อย่างละ่ะท่านถามคนทั้งห้าเข้าใจครับคหาบดีตอบแล้วหนูๆละ่ะเข้าใจที่หลวงตาพูดหรือเปล่า ท่านถามสามหนุ่มเข้าใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่จาแจ้งหนุ่มต้อมตอบเอาละ่ะยังไม่จาแจ้งก็ไม่เป็นไรปฏิบัติมากๆแล้วจะเข้าใจไปเองขอให้มีความเพียรก็แล้วกันเอาละ่ะแยกย้ายกันไปปฏิบัติที่กุติของตัวได้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาให้อาตมาสอบ ยังไม่ทันที่คนทั้งห้าจะลุกออกมาบุรุษสองคนก็ช่วยกันหามเสาสี่เหลี่ยมยาวประมาณสองวาเข้ามาในกุฏิสตรีอายุประมาณห้าสิบถือไม้กวาดทามะพร้าวมัดหนึ่งตามหลังเข้ามาด้วยนี่จะหามเสามาให้อาตมมาปลุกเสกหรื อ, อยังไง ท่านทักเมื่อบุรุษทั้งสองวางเสาลงต่อหน้าท่านแล้วหยุดหายใจแรงๆเรื่องมันแปลกมากค่ะลงพ่อสตรีวัยห้าสิบวางไม้กวาดลงกราบสามครั้งพลางเอื้อนเอ่ยได้ยินว่าเรื่องแปลกขาหาบดีและบุตรพัญญาจึงยังไม่ยอมลุกออกไปแปลกยังไงหรือโยมแหมวัดนี้ มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยเลยไมย่รู้ว่าวัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือพระโบเฮียวว่ายังไงท่านหันไปถามพระโบเฮียวก็ไม่ทราบจะไหวังไงครับลุงเพาะเพราะผมก็ยังไม่เคยอยู่วัดอื่นแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ว่าวัดนี้แปลกกว่าวัดอื่นครับพระหนุ่มตอบเหมือนไม่ต้องการให้ผู้ฟังคิดน้อยทว่าท่านพระครู ก็ไม่อยากจะคิดมากจึงถามสตรีผู้นั้นว่าแปลกยังไงหรือโยมเล่าให้อาตมาฟังหน่อยเป็นไรไม่แปลกยังไงครับหลวงพ่ออยู่ดีๆเสาก็พูดได้คนแบกเสาพูดขึ้นเมื่อหายเหนื่อยแล้วอ๋อเขาพูดว่ายังไงล่ะท่านถามอย่างไม่รู้สึกแปลกใจ เขาบอกอยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงช่วยพาไปหน่อยจะไปช่วยกวาดวัดซื้อไม่กวาดไปด้วยเป็นเสียงผู้หญิงครับแล้วมีใครได้ยินบ้างอีชั้นค่ะอีชั้นก็ได้ยินพูดแบบนี้สามคืนติดติดกันสตรีผู้นั้นยืนยันผมก็เลยจำใจยกมาทั้งต้นเลยต้องซื้อเสาต้นใหม่มาแทนบุรุษวัยห้าสิบเศษเล่า เขาเป็นสามีของสตรีที่มาด้วยกันท่านพระครูกำหนดเห็นหนอก็พบสตรีร่างผอมบางใส่ชุดสีดํานั่งหมอบอยู่ตรงหน้าท่านดี<ร>ฉันจะมาช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดค่<ร>ะหลอ น, นรายงานเฉพาะเจาะ จ, จงให้ท่านรู้เพียงผู้เดียวแต่ท่านพระครูก็รู้ยิ่งไปกว่าที่หลอนรายงาน คือรู้ว่าหล่อนอยากมาอยู่กับบูรุษผู้มากับก้อนหินด้วยเคยผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนก็เขานั่นแหละที่ไปชวนหล่อนมาอยู่วัดเพื่อสร้างบารมีถ้าอย่างนั้นช่วยยกไปไว้ใต้ต้นปีบหลังกุตติอาตมาก็แล้วกันท่านสั่งบูรุษทั้งสองเพราะไม่ต้องการให้สตรีเพศ เข้ามาอยู่ในกุตติแม้หล่อนจะเป็นเพียงวิญญาณก็ตามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านเคร่งครัดในวินัยยิ่งนัก